สอนทำหลวงปู่สอนไว้ข้อต่อไปอย่าไปเข้าใจว่าไม่มีเวลาภาวนาการภาวนาของเรามีถมเถเพราะว่าลมหายใจเข้าออกเราหายใจทุกวันเราก็นั่งดูนอนดูลมหายใจเข้าออกรู้เท่านั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมกันอยู่แล้วอย่าให้จิตของเราประสาทจากลมหายใจเข้าออกข้อต่อไปให้พวกเราทั้งหลาย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 ในศาสนาอื่นไม่มีพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์จะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะในศาสนาพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าของเราจึงตรัสไว้ว่าทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราจึงให้บำเพ็ญจิตเพียงดวงเดียวการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็ต้องอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่านั้น สภาพสังขารร่างกายนี้อาศัยจิตดวงเดียวแท้แท้แพ้จริงแล้วกิเลสพวกนี้พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านโยนทิ้งมานานแล้วแต่เรายังเห็นว่ามันดีมันวิเศษ มันเพราะอะไรเพราะความโง่เขลาเบาปัญญานั่นเองเป็นคนจิตตกต่ำข้อต่อไปตั้งแต่ครั้งพุทธการพวกสู๋ก็ยังไม่เอาจริงพระพุทธเจ้าชวนไปพระนิพพานก็ยังไม่อยากไปมาชาตินี้ยังทําเล่นเล่นอีกก็ตามใจอาตมาไม่รอแล้วข้อต่อไปขอให้ตั้งใจสร้างสติหรือตัวรู้อันนี้ ให้แก่กล้าขึ้นมากๆ ก, กำหนดรู้เท่าทันความจริงของรูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นสำคัญที่สุดคือตัวจิตของเราตัวสติตามรู้จิตของเรานี่แหละจิตของเราคิดอย่างไรก็ตามจะนึกอย่างไรก็ตามจะปรุงอย่างไรก็ตามจะแต่งอย่างไรก็ตามรู้เท่าทันกำหนดทุกเวลาให้เป็นตลอดเวลาเลยให้เร่งภาวนาอย่าประมาท ความตายมันไม่มีสัญญาเตือนหรือนิมิตนิมิตหมายบอกเราให้รู้ล่วงหน้าคนแก่ก็ตายคนหนุ่มก็ตายได้ทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ต้องอ้างเมื่อนั้นเมื่อนี้ทำให้มากๆากทำให้บ่อยๆแล้วจะรู้จะเห็นเอง มรรกสวรรค์เต็มโลกพระนิพพานก็มีอยู่ในโลกนี้แหละอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นแต่ใครจะค้นพบเห็นเท่านั้นเองทานก็เกิดขึ้นจากเราศีลก็เกิดขึ้นจากเราภาวนาก็เกิดขึ้นจากเราถ้าหากว่าผู้ใดต้องการไปถึงที่สุดขอให้ตั้งใจบำเพ็ญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานรู้แจ้งเห็นจริงในรูปธาตุของตน ธาตุทั้งสี่ขันห้าอาการสาสองของตนนี้เองนี่เป็นอาการของกรรมฐานขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้ความชัดเจนแล้วก็ขอให้พากาันรประพฤติปฏิบัติคัดซึ่งกายและวาจาจิตของตนให้เป็นไปตามพระธรรมเทศนาตามคำสั่งสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ต้องห่วงอาตมาตัดหมดแล้วดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาถ้าประชาชนชาวพุทธของเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ประจำใจมีศีลห้าครบบริบูรณ์แล้วรับรองได้ว่าประเทศชาติจะต้องเจริญรุ่งเรืองไม่ยุ่งไม่ยากและไม่ลำบากจำัวชักช้าอยู่ทำไมเวลาไม่คอยท่ามุ่งปฏิบัติให้มันจริงจัง ก็เข้าสู่กระแสธรรมได้ทุกๆคนพวกขี้แยน้ำตาไหลชะชะพระพุทธองค์ไม่ขนไปพระนิพพานด้วยหรอกหลังจากนั่งสมาธิและสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นแล้วหลวงปู่ท่านจะอบรมพระเนนเป็นประจำสิ่งที่ท่านจะตอกย้ำอยู่เสมอก็คือเรื่องสติตัวเดียวรู้แจ้งโลกพระธรรมต่างๆต้องอาศัยสติเป็นตัวระลึก เช่นระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกระลึกรู้ว่าการรักษาศีลบุญกุศลเป็นสิ่งที่ควรสะสมและกระทำให้มากเพื่อความสุขและระลึกรู้ว่าการผิดศีลบาปอกุศลเป็นสิ่งไม่ควรกระทำไม่ควรสะสมเพราะจะนำทุกข์มาให้ ถ้าเป็นญาติโยมท่านจะพูดถึงเรื่องการรักษาศีลห้าเพราะท่านว่าคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ธรรมดานั้นต้องประกอบไปด้วยการรักษาศีลห้าที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะมีบุญกุศลในการรักษาศีลห้าที่เราเคยได้ทําเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นก็คงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตกมรกเป็นเ ป, นปรตเป็นอสุรกายไปแล้ว นี่เพราะบุญในการที่เคยรักษาศีลห้าเอาไว้แต่ในปัจจุบันนี้ถ้าไม่ตั้งใจรักษาศีลห้าโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์มันก็ยากอย่าประมาทกันนักรู้ไหม เคยเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเอารถตู้มารับจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเพื่อจะเดินทางเข้ากรุงเทพท่านว่าพอท่านขึ้นรถเสร็จท่านก็เข้าสมาธิโดยมีสติอยู่กับผู้รู้อย่างเดียวท่านว่าเอาแค่รู้เท่านั้นรถจะผ่านไปที่ไหนไปถึงไหนจอดที่ไหนอะไรอย่างไรท่านก็ไม่ไปจน ใจอะไรรู้แต่รู้เท่านั้นเองท่านว่าสักระยะหนึ่งท่านก็ออกจากสมาธิและลืมตาขึ้นท่านว่าอ้าวมาถึงรังสิ์แล้วหรือมีอยู่คืนหนึ่งในช่วงพรรษาของปีพุทธศักราช2535หลังจากนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์แปลแล้วหลวงปู่ึงกล่าวว่า ในบทสวดมนต์แปลที่สวดกันเมื่อสักครู่นี้ตรงที่ว่าผู้เป็นบัณฑิตจงละทำดำเสียและเจริญทำขาวจงมาถึงที่ไม่มีน้าจากที่มีน้ำจงละกายเสียเป็นผู้ที่ไม่มีความกังวลหลวงปูอธิบายว่าบัณฑิตคือผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิต และทำดําก็คือการกระทําทางกายวาจาใจก็เป็นบาปอากุศลควรจะละออกไปไม่ควรกระทําแล ะ, จะเจริญทำขาวก็คือการกระทําทางกายวาจาใจที่เป็นไปเพื่อให้เกิดบุญกุศลสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทําควรสะสมส่วนคําว่าจงมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําก็คือ ให้ปฏิบัติให้ถึงความยินดีพอใจในน้ำกามท่านว่ารู้ไหมน้ำกามต้องละต้องข้ามข้ามมันไปให้ได้ไม้เหตุประวัติอนุสอนหลวงปู่สอนไว้ได้คัดลอกบางตอนมาจากหนังสืออนุสอนงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่เพ่งพุทธธัศโมที่เรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์ดปรปฐม รองศาสตราจารย์พัฒรานิคมนลและจากประสบการณ์ที่เคยได้อยู่รับใช้หลวงปู่นวัดเทิงเสาหินตำบลเวียงอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายในพรรษาของปีพุทธศักราช2535ธรรมที่แท้สามประการคือปริยัติคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ปฏิบัติคือการปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญา ปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติได้แก่มรรคผลนิพพานบางแง่มุมจากพระไตรปิฎกพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาเป็นเวลานานถึง 2,500 กว่าปีนี้สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือพระไตรปิฎกจากหลักฐานต่างๆแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดกันมาเป็นช่วงๆจนถึงทุกวันนี้คำสอนที่มีในพระไตรปิฎกนี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า โดยส่วนใหญ่โดยมีคำสอนของพระอาหารหันต์สาวกบ้างเล็กน้อยคำสอนบางช่วงบางตอนละเอียดลึกซึ้งมากจนเข้าใจตามได้ยากแต่บางช่วงบางตอนก็พอเข้าใจตามได้แต่คำสอนที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงก็ตรงที่นำมาประพฤติปฏิบัติถ้าได้แต่อ่านได้แต่จำแล้วไม่นำมาประพฤติปฏิบัติก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเท่าที่ควร แต่คำสอนที่มีในพระไตรปิฎกนี้มีมากจนคนบางคนสับสนและไม่เข้าใจทั้งภาษาที่ใช้คนทั่วไปก็เข้าใจยากจนบางครั้งก็มีคนแปลและพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่อาจจะคลาดเคลื่อนได้บ้างเพราะใช้แต่ความเข้าใจในภาษาซึ่งความจริงแล้วผู้ที่จะแปลและอธิบายได้อย่างละเอียดและชัดเจนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในภาษา เป็นอย่างดีและเข้าถึงธรรมด้วยการแปลและอธิบายนั้นจึงจะคลาดเคลื่อนน้อยมากหรือไม่คลาดเคลื่อนเลยจากคำสอนที่มาในพระไตรปิฎกนี้ถ้าเราจะนำมาประพฤติปฏิบัติเราก็ควรเลือกบางแง่มุมที่เราคิดว่าเหมาะสมและก็เป็นประโยชน์สำหรับเราอย่างแท้จริงประโยชน์นั้นพระพุทธเจ้าท่านแบ่งเป็นประโยชน์ไว้สามอย่างคือ หนึ่งประโยชน์ในปัจจุบันหมายถึงขนาดที่เรามีชีวิตอยู่นี้สามารถพออย่างอัตภาพร่างกายนี้ให้อยู่ได้โดยพอสมควรไม่ลำบากอะไรมากนะักแต่สิ่งที่สำคัญคือบุญกุศลและการรักษาใจของเราไม่ให้เกิดความทุกข์ใจและจะทำอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ใจก็ต้องรักษาธรรมและนำธรรมนั้นมาประพฤติ และปฏิบัติให้ดำรงอยู่ในใจของเราให้ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอข้อสองประโยชน์ในโลกหน้าหรือภพหน้าหลังจากตายไปแล้วบางคนไม่แน่ใจเรื่องโลกหน้าหรือตายแล้วจะเกิดหรือไม่แต่ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าใครที่ยังมีกิเลสอยู่ตายแล้วก็ต้องเกิดทันทีแต่จะไปเกิดเป็นอะไรนั้นก็ต้องแล้วแต่บุญบาป ของแต่ละคนที่จะเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาท ก, ก็ควรสะสมบุญกุศลไว้ให้มากที่สุดเท่าที่พอจะทำได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นและทั้งไม่สร้างบาปอากุศลและการกระทำผิดศีลธรรมด้วยถ้าทำได้ดังนี้จะตายเมื่อไรที่ไหนอย่างไรก็ไม่ต้องกลัวเพราะมีบุญกุศลตามเป็นที่พึ่งที่อาศัยสบายใจได้ ข้อที่สามประโยชน์เพื่อพระนิพพานคําว่าพระนิพพานหมายถึงความดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์จิตถึงสภาวะพระนิพพานนั้นก็ต้องสร้างเหตุปัใจจัยให้เหมาะสมจึงจะพบได้เหตุปัจจัยที่เหมาะสมก็คือมีการรักษาศีลมีการเจริญสมาธิมีการเจริญปัญญาสิ่งสามอย่างนี้เมื่อมีความเหมาะสมและบริบูรณ์พอแล้ว ก็จะพบพระนิพพานอย่างแน่นอนในเมื่อเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ปรารถนาซึ่งความสุขและไม่ชอบความทุกข์แต่ความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่เรานั้นความเป็นจริงก็คือผลของบาปบุญที่เราได้ทำเอาไว้มันมาส่งผลนั่นเอง ความเห็นของพระเจ้าปยาสิในสมัยหนึ่งพระกุมารกัษตปะพร้อมด้วยพิษุสงู่ใหญ่ได้จาริกไปในแคว้นโกศลได้แวะพักณ ป, ป่าไม้สีเสียดทางทิศเหนือของเสตปพยนครซึ่งมีพระเจ้าปยาสิเป็นผู้ครองนคร น, นั้นอยู่พระเจ้าปยาสิมีความเห็นผิดเกิดขึ้นว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ที่อุบัติขึ้นเป็นเทพเทวดาอุป ป, ปาติกะในนรกในสวรรค์ไม่มี ผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเมื่อได้ทราบกิติศัพท์อันงามของพระกุมารกสปะพวกพราหมณ์และประชาชนทั่วไปก็พากันเดินทางไปเป็นกลุ่มๆพระเจ้าปยาสิก็ทอดพระเนตรเห็นจึงถามจนทราบความก็เลยเสด็จไปด้วยเมื่อผู้ที่ไปได้กล่าวปราศัยตามสมควรแล้วพระเจ้าปยาสิก็ได้ประกาศตามความเห็นของพระองค์ที่ได้กล่าวมาแล้วแก่พระเถระ จะขอนำคำโต้ตอบมากล่าวโดยย่อๆดังนี้พระเจ้าปยาสิได้ตรัสเล่าว่ามีอมรรคและญาติของพระองค์ที่ชอบประพฤติชั่วไม่อยู่ในศีลในธรรมเจ็บไข้ลงจะไม่หายแน่พระองค์จึงสั่งว่าถ้าไปตกนรกขอให้กลับมาบอกด้วยพวกเหล่านั้นรับคำแล้วแต่ไม่เห็นมีใครกลับมาบอกเลยพระองค์จึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นจะมีจริง พระเถระจึงกล่าวว่าเปรียบเหมือนโจรที่ทำผิดราชบุรุษจับได้จะนำไปประหารชีวิตโจรเหล่านั้นก็ขอกลับไปบอกพวกพ้องซะก่อนและจะกลับมาได้หรือไม่พระเจ้าปยาสิตรักตอบว่าไม่ได้พระเถระจึงกล่าวว่าพวกที่ทำชั่วผิดศีลธรรมก็เช่นกันถ้าไปตกนรกก็คงไม่ได้รับอนุญาตจากนายนิรยาบาลให้กลับมาบอก พระเจ้าปยาสิตรักเล่าว่าพระองค์เคยสั่งคนให้ทำความดีว่าถ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์แล้วขอให้กลับมาบอกด้วยพวกนั้นรับคำแต่ไม่มีใครมาบอกเลยพระองค์จึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีจริงพระเทระทูลว่าเปรียบเหมือนคนตกลงไปในหลุมอุจาระมิศิษะพระองค์สั่งให้ราชบุรุษช่วยยกขึ้นจากหลุมนั้น แล้วก็เอาอุจจาระออกทำความสะอาดให้หมดจดดีแล้วนำพวงมาลัยเครื่องรูปไร้และผ้ามีราคาแพงมานุ่งหม่มพาขึ้นไปสู่ประสาทบำรุงบำเรอด้วยสิ่งที่พอใจต่างๆคนเหล่านั้นจะอยากลงไปอยู่ในหลุมอุจจาระอีกหรือไม่พระเจ้าปยาสิตรับตอบว่าไม่อยากเพราะหลุมอุจจาระไม่สะอาดและมีกลิ่นเหม็นเป็นปฏิกูล พระเถระทูลว่ามนุษย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นปฏิกูลสำหรับเทวดาทั้งหลายที่มีความสุขกันดีแล้วก็ไม่อยากจะกลับมาสู่โลกเพื่อบอกพระองค์เรา